ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจสมรรถะกับวิปัสสนาและเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติข้อควรทราบต่อไปนี้ส่วนมากเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติที่ควรจะพูดถึงในตอนต่อไปแต่มีข้อความบางแห่งในตอนนี้พาดพิงถึงจึงนำมาอธิบายไว้คราวหนึ่งก่อน เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่ผ่านมาในตอนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องที่หนึ่งสมถะกับวิปัสสนาสมถะแปล ง, ง่ายๆว่าความสงบแต่ที่ใช้ทั่วไปหมายถึงวิธีทําใจให้สงบขยายความว่าได้แก่ข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบจนตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงขั้นได้ฌานระดับต่างๆ จุดมุ่งของสมถะคือสมาธิซึ่งหมายเอาสมาธิขั้นสูงที่ทำให้เกิดฌานลักษณะของสมถะคือกำหนดใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอารมณ์กำหนดใจไว้กับอารมณ์ให้แน่วแน่จนจิตน้อมดิ่งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่เรียกว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือจิตมีอารมณ์อันเดียว ความแน่วแน่หรือตั้งมั่นของจิตนี้เรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิแนบสนิทเต็มที่แล้วก็จะเกิดภาวะจิตที่เรียกว่าฌานซึ่งแบ่งเป็นระดับต่างๆระดับที่กำหนดเอารูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปฌานหรือเรียกง่ายๆว่าฌานมีสีขั้นระดับที่กำหนดเอารูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่า อารูปปชาญมีสี่ขั้นทั้งรูปปชาญสี่และอารูปปชาญสี่เรียกรวมกันว่าสมาบัตสมาบัตมี8ก็เรียกกันว่าสมาบัตร8ดภาวะจิตในฌานนั้นเป็นภาวะที่สุขสงบผ่องใสไม่มีความเศร้าหมองขุ่นโมวไม่มีสิ่งรบกวนให้สะดุดหรือติดข้องอย่างใดๆเรียกว่าปราศจากนิวรน ท่านอนุโลมเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสตลอดเวลาที่ยังอยู่ในฌา น, นนั้นๆแต่เมื่อออกจากฌานแล้วกิเลสกลับมีได้อย่างเดิมท่านจึงเรียกว่าเป็นวิขมปนะนิโรธหรือวิขมปนะวิมุตคือดับกิเลสหรือหลุดพ้นด้วยเอาสมาธิข่มไว้ดังได้กล่าวแล้วในบทที่เจ็ข้างตน้นนอกจากฌานแล้ว สมถะยังมีผลพลอยได้ที่สืบเนื่องจากชานั้นอีกคืออาจทำให้เกิดความสามารถพิเศษที่เรียกว่าอภิญยาห้าอย่างได้แก่แสดงฤทธิ์ได้อ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้หูทิพย์และตาทิพย์อย่างไรก็ดีเมื่อใช้อย่างหลมหลวมหรือพูดอย่าง ก, งกว้างๆสมถะก็คือการทำใจให้สงบหรือการทาจิตให้เป็นสมาธิ และบางคราวก็หมายถึงตัวสมาธินั่นเองว่าตามความจริงความหมายของสมถะที่ว่าคือตัวสมาธินี้แหละเป็นความหมายที่ตรงตามหลักวิชาทั้งฝ่ายอภิธรรมและฝ่ายพ ร, ส ร, ะ, ระสูตรและในธรรมมิกสูตรอังคุตรนิกายฉะกกนิบาศเมื่อกล่าวถึงอินทรีห้าท่านใช้คําว่าสมถะแทนสมาธิและใช้คําว่าวิปัสสนาแทนปัญญาโดยตรงทีเดียวเป็น ศรัทธาสติวิริยะสมถธวิปัสสนาแทนที่จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างในความร้อยแก้วตามปกติจึงกล่าวได้ว่าความหมายของสมถทที่ว่าคือตัวสมาธินี้แหละเป็นความหมายที่ตรงตามหลักวิชาเพราะไม่ว่าจะเจริญสมัทจนได้ฌานสมาบัติหรืออภิญญาเป็นผลสําเร็จสูงพิเศษเพียงใดก็ตาม